โมฆะบุรุษทั้งหลายฉะนั้นพวกเธอจึงอ้างเอาบางส่วนแห่งอธิกรเรื่องอื่นเป็นเยดใส่ความทัพภรพมารบด้วยอบัตปาราชิกเล่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทําอย่างนี้ไม่ได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสแล้วรับสั่งให้ภิษสทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้